ท่านฟังคะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้พูดเอาไว้ว่าถ้าหากท่านมีคำถามที่อยากจะมาทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะน้ัสการเรียนถามพระคุณเจ้าที่มาจัดรายการนะคะหรือว่าจะสนทนาอะไรกับดิฉันเนี่ยก็ฝากเอาไว้ที่เบอร์022690006หรือ022690060นะคะซึ่งที่นี่เบอร์นี้นอกเหนือจากจะให้ท่านติดต่อ กับทางเราได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะขอหนังสือพุทธวัตรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะที่คณะของสิทธิ์ของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัฒนาป่าพง์ลำลูกกาคลองสิบได้จัดทำรรเพื่อที่จะให้ท่านได้มีโอกาสทําความคุ้นเคยเรียนรู้พระธรรมหรือว่าพระวินัยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ให้สมกับที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วไม่ได้สกักแต่ว่าเป็นชาวพุทธแต่เรารู้ด้วยว่า พุทธเขาสอนอะไรเรารู้ด้วยว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงได้นับถือศาสนาพุทธเพราะว่ามีความทราบซึ้งในความจริงที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็นำเอามาใช้กับชีวิตของเราได้นะคะทีนี้มาถึงตอนที่จะอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ให้ฟังก็จะเป็นการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าว่าในพระชาติก่อนๆเนี่ย ได้ทรงบำเพ็ญบารมีอะไรมาก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตอนต่อไปค่ะก็เป็นการตรัสที่เชตวันในคราวเดียวกันกับเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้สอนศิลปะวิทยาการข้อปฏิบัติและลัทธิกรรมด้วยความเคารพด้วยหวังว่าสัตว์เหล่านั้น พึงรู้ได้รวดเร็วพึงปฏิบัติได้รวดเร็วไม่พึงโศกเศร้าสิ้นกาลนานได้เป็นผู้เข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านผู้เจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพทำอย่างใดไม่มีประโยชน์เป็นทุกข์ไปนานทำอย่างใดมีประโยชน์เป็นสุขไปนาน ได้เป็นผู้ไม่มากโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นแม้ชนเป็นอันมากว่ากล่าวเอาก็ไม่ใส่ใจไม่โกรธไม่พยาบาทไม่คุมแค้นไม่แสดงความโกรธความร้ายกาจความเสียใจให้ปรากฏทั้งเป็นผู้ให้ทานผ้าที่ทำด้วยเปลือกไม้ผ้าได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์สำหรับราดและนุ่งห่มอันมีเนื้อละเอียดภิษุทั้งหลาย เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้สมาน ญ, ญาติมิตรสหายชาวเกลอือผู้เหินห่างแยกกันไปไม่นานได้สมานไมตรีระหว่างมารดากับบุตรบุตรกับมารดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่น้องชายกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงกับพี่น้องชายครั้นทําความสามัคคีได้แล้วก็ปล่อยชื่นชมยินดีด้วย ได้เป็นผู้สังเกตชั้นเชิงของมหาชนรู้ได้สม่ำเสมอรู้ได้เองรู้จักบุรุษ ธ, ธรรมดารู้จักบุรุษพิเศษว่าผู้นี้ควรแก่สิ่งนี้ได้เป็นผู้ทําประโยชน์อย่างพิเศษให้แก่ชนนั้นได้เป็นผู้ใกล้ต่อประโยชน์ต่อความเกื้อกูลความผาสุขความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากว่าฉะไหนหนอชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธา ศีลการศึกษาความรู้ความเผื่อแผ่ธรรมปัญญาทรัพย์และเข้าเปลือกนาและสวนสัตว์2เท้า4เท้าบุตรพัญญาธาตุกรรมกรด้วยญาติมิตรพวกพ้องค่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะของความดีหรือว่าบา ร, รมีที่พระพุทธองค์ทรงสังสมไว้แต่ในภพก่อนๆแล้วก็ทำให้ ได้มาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติที่ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ตรัสรู้ธรรมที่ทําให้พวกเรานั้นได้นําเอามาใช้เพื่อทําให้การดําเนินชีวิตของพวกเรามีความสุขแล้วก็มีโอกาสในการที่จะพ้นทุกถ้าหากว่าเรามีความเพียรในการที่จะปฏิบัติตามแต่อย่างน้อยนะคะถึงขนาดไม่พ้นทุก์ชนิดที่ว่าไม่กลับมาเกิดอีก เพื่อจะเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยก็ทำให้ชีวิตที่ได้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะมีความร่มเงย็นเป็นสุขมากขึ้นและนี่ก็เป็นความปรารถนาของรายการสันสนีสนทนานะคะที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้แลวเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้หมดเวลานะคะสวัสดีค่ะ